เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่หสิงหาคมพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปประโยชน์และสุขนี้มีทั้งสิ่งทั้งที่เป็นที่แท้จริงและที่ไม่แท้จริงที่แท้จริงก็คือจะอยู่ติดไปกับใจใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายถ้ามีอยู่ติดกับใจก็อยู่ไปตลอด แต่ถ้าประโยชน์สุขที่ไม่ใช้จริงนี้ก็จะเป็นประโยชน์สุขเพียงชั่วคราวนั่นก็คือประโยชน์สุดทางร่างกายทางตาหูจมูกเล่นกายประโยชน์สุขเหล่านี้จะมีขอบเขตคือเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายได้ต้องตายไปประโยชน์สุขต่างๆ ตอนนี้ก็จะหมดไปแต่ประโยชน์สุขของจิตใจนี้ไม่ได้หมดไปตามประโยชน์สุขของร่างกายดังนั้นเราจึงควรให้ความสําคัญต่อการสร้างประโยชน์สุขทางจิตใจให้มากกว่าทางร่างกายทางร่างกายนี้ก็เอาพอประมาณพออยู่ได้พร้อมไม่เดือดร้อน ก็พอแล้วอย่างที่ในหลวงทรงสอนว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คือพอต่อความต้องการของร่างกายพอต่อการดำรงชีพคือให้มีปัปจจัยสี่ที่พอเพียงเช่นมีบ้านมีเครื่องนุ่งหง่มมีอาหารมียารักษาโรค ถ้ามีปัจจัยสี่เหล่านี้แล้วก็พอแล้วมีมากไปกว่านี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าร่างกายก็รับได้เพียงเท่านี้ต่อให้มีบ้านใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนก็ตามร่างกายก็ไม่ได้ใหญ่โตไปกับบ้านที่สร้างมาร่างกายก็ยังเป็นร่างกายเหมือนเดิมอยู่ ร่างกายก็ต้องการอาศัยที่หลบแดดหลบฝนหลบจากภัยต่างๆจะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ไม่สำคัญขอให้ทาหน้าที่ปกป้องภัยต่างๆให้แก่ร่างกายได้ก็พอแล้วเช่นเดียวกับเสื้อผ้าอาพอรก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเสื้อผ้าอาพอรที่มีราคาแพงๆชุดละเป็นหมื่นเป็นแสน ใส่ไปก็เพงไว้ปกปิดอวัยวะของร่างกายเท่านั้นเองป้องกันอากาศหนาวเย็นที่จะมาทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้มีความวิเศษอะไรมากไปกว่า น, นี้จะใช้เสื้อผ้าชุดละร้อยสองหรือเสื้อผ้าชุดละแสนสองแสนมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันมันไม่ได้ทำให้คนใส่วิเศษขึ้นมาจากการได้ใส่เสื้อผ้า ราคาแพงๆนี่คือเรื่องที่เราต้องศึกษาแล้วรู้จักแยกแยะอย่าไปหลงตามความหลงของกิเลสซึ่งจะหลอกให้เราเห็นว่าถ้าเราได้ของแพงๆของมักแล้วได้มามากๆได้ขนาดใหญ่โตหรูหราแล้วจะทำให้เราวิเศษวิโสขึ้นมา ความจริงเราไม่ได้วิเศษวิโสไปกับสิ่งต่างๆเหล่านี้การที่เราจะวิเศษวิโสได้นั้นต้องอยู่ที่การปพุติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะจะทำให้เราเป็นผู้วิเศษที่แท้จริงและจะทำให้เราได้รับประโยชน์สุขที่แท้จริงดังนั้นขอให้พวกเราจงแยกแยะ ภารกิจที่เราต้องทําไว้สองส่วนด้วยกันคือภารกิจทางด้านร่างกายและภารกิจทางด้านจิตใจทางด้านร่างกายเราก็ทําไปพอประมาณพอเพียงพอให้อยู่ได้ไม่เดือดร้อนก็พอแล้วอย่าเสียเวลาไปกับการหาทรัพย์สมบัติเข้าของหาอะไรต่างๆมา เพราะว่ามันก็ไม่ได้ทําให้ร่างกายของเรานี้ดีขึ้นไปกว่าเดิมร่างกายเรืงนี้ทุกคนเหมือนกันหมดมีแต่จะแก่ลงไปเรื่อยๆจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นไปเรื่อยๆและก็จะต้องตายไปในที่สุดไม่ว่าจะมีทรัพย์กองเท่าภูเขาหรือไม่มีก็เหมือนกันร่างกายนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีทรัพย์ มียศมีตำแหน่งอะไรต่างๆมันเป็นไปตามวาระของมันมันเป็นไปตามธรรมชาติของการเกิดแก่เจ็บตายอย่างนั้นเราอย่าไปเสียเวลากับการหาปัจจัยสี่อันเลิศรู้มาบำรุงดูแลร่างกายของเราให้เสียเวลาไปเปล่า เพราะว่ามันก็จะต้องจบลงด้วยกันทุกคนไม่มีใครยกเว้นไม่ว่าจะเป็นขอทานข้างถนนหรือเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นเหมือนกันหมดร่างกายของพวกเราทุกคนมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาดังนั้นเราอย่าไปเสียเวลาต่อการปกป้องคุ้มครองรักษาร่างกายของเราให้มากเกินต่อความ ต้องการของร่างกายเลยชั่วเอาเวลาที่มีคุณค่านี้มาสร้างประโยชน์สุขให้แก่จิตใจดีกว่าเพราะเป็นประโยชน์สุขที่ถาวรที่จะติดไปกับใจของเราหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราจะไม่ไปแบบมือเปล่า เ, าเราจะไปแบบมีบุญมีวาสนามีบารมี ติดตามเราไปด้วยผู้ใดมีบุญมีวาสนามีบารมีเวลาไปเกิดก็จะเกิดแบบคนที่มีบุญมีวาสนามีบารมีนั่นเองคนที่ได้เกิดเป็นรูปของกษัตริย์รูปของมหาเศรษฐีอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้เขามีบุญบารมีได้สร้างมาแนด่ดีหรือถ้าเขาเกิดในครอบครัวที่ไม่ ร่ำรวยแต่เขาก็มีความรู้ความสามารถที่จะทำให้เขาร่ำรวยให้เขาเจริญก้าวหน้าได้อย่างง่ายดายเพราะบุญบา ร, รมีที่เขาได้ทำมาในอดีตนั่นเองดังนั้นเราจึงควรให้ความสนใจต่อการปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้าเพราะจะเป็นการพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงไปและหมดไปได้ในที่สุดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้กับเราได้นอกจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้าเท่านั้น เงินทองนี้ไม่สามารถทําให้เราดีให้เราประเสริฐได้ตําแหน่งต่างๆไม่สามารถทําให้เราดีให้เราประเสริฐให้เรามีความสุขให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีแต่การปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะทําได้ดังนั้นเราต้องเข้ามาทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน เบื้องต้นก็ศึกษาว่าทรงสั่งสอนให้กระทำอะไรบ้างเมื่อรู้แล้วเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ใช่เฉพาะเดียวแต่พระองค์นี้พระองค์เดียวทุกๆพระองค์ที่มาตัดสรู้แล้วประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สารโลกนี้จะสอนเหมือนกันหมดคือหนึ่งให้ทำความดี สองให้ละบาปสามให้ทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์คือให้ละความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจถ้ากระทำได้ทั้งสาประการนี้แล้วก็จะได้รับประโยชน์สุขที่สูงสุดเช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับก็คือพระนิพพานคือการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด สิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายจะเป็นสิ่งที่ตามมามีคำสอนของพอพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะทำให้สัตว์โลกหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ที่จะทำให้สัตว์โลกพบกับความสุขที่แท้จริงได้นอกจากนั้นแล้วไม่มีคำสอนอื่นในโลกนี้เป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ต่อให้เรียนจบปริญญาเอกก็ตามแต่จะไม่สามารถคุ้มครองป้องกันจิตใจของตนไม่ให้ทุกข์ได้จะต้องถูกความทุกข์มาเหยียบย่ำทําลายเสมอไม่ว่าจะเรียนจบปริญญาระดับไหนก็ตามเพราะความรู้ต่างๆในโลกนี้เป็นความรู้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการ ดับความทุกข์ของใจนั่นเองเป็นความรู้ที่จะสร้างความทุกข์ของใจให้มีมากขึ้นเพราะจะสนับสนุนเป็นเครื่องมือให้แก่ตัณหาให้แก่กิเลสความอยากความโลภต่างๆให้มีเพิ่มมากขึ้นไปและเมื่อมีกิเลสตัณหาเพิ่มมากขึ้นไปเท่าไหร่ก็จะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจเพิ่มขึ้นไปมากเท่านั้น เพราะกิเลสตัณหานี้เป็นเหตุของความทุกข์ของความวุ่นวายใจนี้เองกิเลสนี้เป็นเหมือนเชื้อโรคความวุ่นวายใจนี้ก็เป็นเหมือนความเป็นเหมือนโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราไม่ต้องการที่จะมีโรคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องมียามาทําลายเชื้อโรคที่สร้างโรคภัยไข้เจ็บให้กับเรา ยาที่เราจะมาดับเชื้อโรคของจิตใจได้ก็คือธรรมโอสถนี่เองคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องพยายามรับประทานธรรมโอสถอยู่เรื่อยๆเหมือนกับเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องตามที่หมอสั่งหมอให้ยามาหมอก็จะบอกว่า ให้รับประทานวันละกี่ครั้งและให้รับประทานไปจนหมดเมื่อรับประทานตามที่หมอสั่งแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปชั้นใดโรคภัยไข้เจ็บของจิตใจ mm hmm. ก็คือความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆความกังวลความวิตกกวามไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจความหวาดกลัว ต่างๆเหล่านี้เป็นโรคของใจที่เราจะสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือทำดีละบาปแล้วก็ชำระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ทำดีก็อย่างที่ญาติโยมได้มาทำกันในวันนี้คือนำเอากับข้าวกับปลา อาหารข้าวหวานเครื่องใช้ไม้สอยและเงินทองมาถวายให้กับพระและวัดไว้ใช้สำหรับความจำเป็นต่างๆนี่ก็เป็นการทำความดีการทำความดีนี้ท่านก็มีคำนิยามว่าการกระทาที่ทำให้เกิดความสุขและเกิดประโยชน์ ให้แก่ผู้อื่นก็ดีให้แก่ตนเองก็ดีหรือทั้งให้แก่ผู้อื่นและกัตนเองอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทําความดีคือทําให้ผู้อื่นมีความสุขทําให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์พอเราทําแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขเหมือนกันแต่เป็นประโยชน์สุขทางด้านจิตใจผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์สุขทางด้านร่างกาย เช่นญาติโยมนำอาอาหารมาถวายพระพระก็ได้รับประโยชน์จากการได้รับอาหารมารับประทานส่วนญาติโยงก็ได้รับประโยชน์คือได้บุญคือความสุขใจความอิ่มใจซึ่งเป็นอาหารของจิตใจที่สำคัญกว่าอาหารของร่างกายเพราะถ้าจิตใจของเรามีความอิ่มแล้วถึงแม้ร่างกายจะมีความหิว แต่ก็จะไม่ทำให้ใจเดือดร้อนต่างกับใจที่มีความหิวแต่ร่างกายมีความอิ่มใจก็จะเดือดร้อนจะรู้สึกไม่อิ่มไม่พออยู่อย่างนั้นการที่คนเรารับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายก็เป็นเพราะว่าใจไม่อิ่มนั่นเองใจไม่ใจขาดอาหารคือการทำความดี ถ้าใจได้ทำความดีบ่อยๆแล้วจะไม่ค่อยหิวจะไม่ค่อยอยากได้อะไรถ้ารับประทานอาหารก็รับประทานพอกับความต้องการของร่างกายจะไม่รับประทานมากไปกว่านั้นแต่ถ้าใจที่ไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่ได้ทำความดีนี้จะมีความหิวมากจะรับประทานอาหารมากกว่าความต้องการของร่างกายจนทาให้ร่างกายนี้มีน้าหนัก เกินเกินความจำเป็นกลายเป็นคนอ้วนไปนี่เป็นเพราะว่าใจมันไม่ได้อาหารนั่นเองอาหารของใจก็คือการทำความดีนี่เองดังนั้นขอให้เราพยายามทำความดีให้มากๆไม่ว่าจะทำกับใครก็ได้ได้บุญเหมือนกันได้ความสุขใจได้ความอิ่มใจได้อาหารใจเหมือนกัน ทำบุญกับพระก็ได้ความอิ่มใจสุขใจทำบุญกับคารวะญาติโยมก็ได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันหรือแม้จะทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้ความสุขใจเหมือนกันเช่นเอาสุนักเอาข้าไปเลี้ยงสุนักอย่างนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันเป็นความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันการทำบุญที่ท่านสอนว่าให้เลือกคนทำนี้ มีความหมายอีกอย่างหนึ่งคือคนที่เราทําบุญด้วยนั้นถ้าเราทํากับคนที่เขาฉลาดเขาก็จะสอนให้เราฉลาดได้เราจะได้ประโยชน์สองต่อคือได้ประโยชน์จากการทําบุญคือได้ช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็จะช่วยเหลือเรากลับมาด้วยการสอนเราให้ฉลาดขึ้น เช่นถ้าเราได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็จะสอนให้เราบรรลุถึงพระนิพพานได้แต่ถ้าเราทำบุญกับคนธรรมดาคนที่ยังไม่ได้บรรลุถึงพระนิพพานเขาก็จะไม่สามารถสอนให้เราบรรลุถึงพระนิพพานได้นี่คือความหมายที่ว่าต้องเลือกทำบุญกับคน ถ้าเราต้องการประโยชน์รับประโยชน์จากคนที่เราไปทำบุญด้วยถ้าเราทำบุญกับสุนัขเราจะได้อะไรจากสุนัขเราอย่างมากก็จะได้สุนัขมาคอยเฝ้าบ้านให้เราคอยเหา่าคอยไล่ขโมยให้เราถ้าเราทำบุญกับมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราก็จะได้เพื่อนและเผื่อเวลาที่เราเดือดร้อนเขาก็จะช่วยหรือเราได้ แต่เขาจะไม่สามารถสอนให้เราบรรลุถึงพระนิพพานได้ดังนั้นเวลาถ้าเราทำบุญเพื่อเราต้องการความรู้เราก็ต้องเลือกคนที่รู้มากที่สุดถ้าได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็ถือว่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ต้องทำบุญกับพระอาหารหันต์ถ้าไม่มีพระอาหารหันต์ก็ต้องทำบุญกับพระอนาคามี พระสกิดาคามีพระโสดาบันตามลำดับลงมาถ้าไม่มีพระอริยะเจ้าเลยก็ต้องทำบุญกับพระที่มีศีลที่สะอาดบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยะเจ้าแต่มีศีลที่บริสุทธิ์มีจิตใจที่สงบด้วยสมาธิอย่างน้อยถ้าศึกษาไปทำบุญกับท่านท่านก็จะสอนให้เรารักษาศีล สอนให้เรานั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบถ้าหาพระที่อย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องหาที่ต่ำกว่าหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปหาศึกษาในหนังสือต่างๆถ้าต้องการความรู้ถ้าต้องการธรรมะถ้าไม่สามารถหาพระที่มีคุณธรรมสั่งสอนเราได้เราก็ต้องไปศึกษาจากพระไตรปิฎก จากหนังสือที่คัดลอกมาจากพระไตรปิฎกหรือจากหนังสือของครูบาอาจารย์ต่างๆที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ยังสามารถรับประโยชน์จากการศึกษาหนังสือต่างๆเหล่านี้ได้นี่หมายถึงว่าถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์คืออยากจะได้รับความรู้เวลาเราทำบุญเราอยากจะได้รับความรู้ด้วย เราก็ต้องไปหาพระที่มีความรู้มากๆแต่ถ้าเราต้องการเพีงแต่ทําบุญเพื่อให้ใจเราสบายให้มีอิ่มความอิ่มเอิบใจสุขใจเราทํากับใครก็ได้ทํากับพ่อกับแม่ของเราก็ได้เราก็จะได้รับความสุขความอิ่มเอิบใจเหมือนกันทํากับพี่กับน้องก็ได้ทํากับสามีภรรยาก็ได้ ถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจคือเราไม่ได้ทำเพื่อต้องการสิ่งตอบแทนจากคนที่เราทำด้วยถ้าอย่างนั้นก็จะไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญแต่จะเป็นการซื้อขายกันเป็นการแลกเปลี่ยนกันเช่นให้เงินคุณแล้วคุณต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้กับเราอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญ ถ้าจะเป็นการทำบุญก็ต้องให้เงินเขาไปแล้วไม่มีข้อแม้แต่อย่างใดเขาจะเอาไปทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเราต้องการให้เขาต้องการช่วยเหลือเขาเท่านั้นเองแต่ไม่ต้องการให้เขาทำอะไรเพื่อเป็นการตอบแทนอย่างนี้ก็จะเป็นบุญจะทำให้เรามีความสุขใจมีความอิ่มเอิบใจนี่คือเรื่องของการทำบุญการทำความดี ประกาศที่สองก็เรื่องของการละบาปไม่ทำบาปเราก็ต้องมีฮิริโอตปะคือเราต้องมีความละอายมีความกลัวบาปการที่เราจะมีความละอายความกลัวบาปได้เราก็ต้องรู้ว่าการทำบาปนี้เป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีเช่นการพูดปดนนี้ดีหรือไม่ดีการลักขโมยนี้ดีหรือไม่ดีเราทำไปแล้ว ทำให้คนอื่นเขาเคารพนับถือเราหรือไม่หรือเขาจะตาหนิติเตียนว่ากล่าวตักเตือนเราแล้วผลที่ตามมาจากการทำบาปนี้เป็นอย่างไรจะได้รับการยกย่องได้รับรางวัลหรือจะต้องถูกจับไปลงโทษถ้าเราศึกษาดูถึงผลที่จะตามมาจากการทำบาปเราก็จะเกิดความกลัวบาปขึ้นมา กลัวผลของบาปที่จะตามมาและเราก็จะมีฮิรบความละอายที่จะไม่อยากจะทำบาปไม่กล้าทาบาปเพราะเราไม่อยากจะให้คนเขาดูถูกดูแคลนเราตำหนิติเตียนเราเราอยากจะให้คนเขายกย่องสรรเสริญเคารพนับถือเราคนที่จะเป็นที่เคารพนับถือของผู้อื่นได้นั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่ทำบา เช่นพระภิกษุที่มาบวชนี้ท่านก็ถือศีลสองข้อด้วยกันจึงทำให้ญาติโยมนี้มีความเคารพนับถือยินดีที่จะกราบว่าเวลาที่ได้พบเห็นพระภิกษุเพราะมีศรัทธาความเชื่อว่าเป็นผู้ไม่กระทำบาทนั่นเองแต่ถ้าเรารู้ว่าท่าน ไม่รักษาศีลท่านทำบาปเราจะมีจิตใจที่อยากจะกราบไหว้ท่านหรือไม่ถ้าเรารู้เราก็จะไม่กราบไหว้อย่างแน่ น, นอนถ้าเห็นท่านมาเราก็คงจะเดินหนีไปอีกทางนึงเพราะไม่อยากที่จะต้องไปกราบท่านนั่นเองเพราะว่าท่านไม่ได้ทำความดีท่านไม่ได้รักษาศีลนั่นเอง ดังนั้นถ้าเราศึกษาถึงผลที่จะเกิดตามมาจากการทําบาปเราก็จะมีหิริความอายมีโอตปะความกลัวบาปถ้าเรามีหิริโอตปะแล้วการไม่ทําบาปก็จะเป็นเสี่งที่ง่ายดายมากยิ่งถ้าเรารู้ว่าการทําบาปนี้เมื่อตายไปแล้วจะต้องไปที่ไหน ยิ่งจะทำให้เราไม่กล้าทาบาปใหญ่แต่นี่เราไม่มีดวงตาเห็นธรรมที่จะสามารถเห็นได้ว่าหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนแต่อย่างน้อยเราก็มีคนที่เห็นแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่ท่านก็มาสอนเราแล้วว่าถ้าทมบาปแล้วต้องไปอบาย ต้องไปตกนรกไปเป็นเปรยไปเป็นผีไปเป็นเดรัจฉานถ้าเราเชื่ออย่างน้อยเราก็จะเราก็จะไม่ถูกกิเลสหลอกให้เราไม่เชื่อถึงแม้เราจะไม่เห็นเองแต่ถ้าเราเชื่อเชื่อในสิ่งที่เชื่อในบุคคลที่ไม่โกหกเราก็จะไม่ถูกหลอกถ้าเราไม่เชื่อถ้าเราไปเชื่อกิเลส เราก็จะถูกกิเลสหลอกเช่นคนที่ไม่เชื่อว่าตายไปแล้วทำบาปแล้วจะต้องไปตกนรกอย่างนี้เขาเป็นคนที่ถูกกิเลสหลอกเราอย่าให้กิเลสหลอกเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระอริยสงสาวมเพราะถ้ า, าเหล่านี้ไม่ใช่เป็นคนโกหกท่านเห็นอะไรท่านก็พูดไปตามความจริงแล้วก็มีผู้ที่ได้รับประโยชน์ จากการเชื่อท่านแล้วมาเป็นจำนวนมากพวกเราจึงไม่ต้องสงสัยพวกเราถือว่าโชคดีวาสนาดีที่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจึงไม่ต้องมาลังเลสงสัยว่านารกมีจริงหรือไม่ทำบาปไปแล้วจะต้องไปตกนรกหรือไม่เพราะมันต้องไปแน่นั่นเองอย่างนั้นถ้าเราเชื่อว่า ตายไปแล้วทําบาปแล้วจะต้องไปตกนรกเราก็จะไม่กล้าทําบาปต่อไปอนี่ก็คือการป้องกันไม่ให้เราจะต้องไปเกิดในอบายนั่นเองถ้าเราไม่ทําบาปแล้วเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายตายไปแล้วเราก็จะไปสวรรค์ถ้าเราได้ทําบุญถ้าไม่ได้ทําบุญเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยแล้วก็กลับมา ทำบุญต่อไปไดนะ้นี่คือเรื่องของความเชื่อของพระพุทธเจ้าถ้าเชื่อแล้วตายไปนี้จะได้ไปสวรรค์ทำบุญไม่ทำบาปตายแล้วได้ไปสวรรค์ถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ทำบุญทำแต่บาปตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดในอบายไปตกนรกแล้วถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าในเรื่องของการชำระใจให้สะอาดบ ร, ริสุทธิ์ ถ้าชำระติเลตตันหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกใจที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วจะไม่มีเชื้อที่จะพาให้ไปเกิดอีกเชื้อที่จะททำให้สัตว์โลกนี้ต้องไปเกิดใหม่ก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้เอแต่ถ้าสามารถชำระให้ หมดไปจากใจได้ด้วยการเจริญสมาธิและเจริญปัญญาจิตใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์เหมือนของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันต์ทั้งหลายเมื่อสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็จะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาไข้ได้ป่วยมาตายมามร้องห่มร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจ มาวิตกกังวลว่าวุ่นขุนมัวกับเรื่องราวต่างๆที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้จะไม่ต้องมีอีกต่อไปถ้าเราชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้นี่คือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามประการด้วยกันคือ 1. ทําทำความดี 2. ไม่ทำบาปสา ชำระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์นี่แหละคือการปฏิบัติที่จะนำพาเราไปสู่ประโยชน์สุขที่แท้จริงและเป็นประโยชน์สุขที่ถาวรจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป